วิวาทะมูลสูตรว่าด้วยมูลเหตุแห่งวิวาทภิกษุทั้งหลายมูลเหตุแห่งวิวาทหกประการนี้มูลเหตุแห่งวิวาทหกประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มกักโกรธผูกโกรธไวภิกษุใดเป็นผู้มกักโกรธผูกโกรธไวภิกษุนั้นไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในาศาสดา ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสง์และไม่ทําศึกษาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสง์และไม่ทําศึกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อวิวาดให้เกิดขึ้นในสง์ ซึ่งเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายพิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึงพยายามเพื่อละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาภายในหรือภายนอกนั้นแหล ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาเช่นนี้ภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายพึ่งปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นแหลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไป 2. เป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอละถึง 3. เป็นผู้ริษยามีความตระีสี่เป็นผู้โอ้อวดมีมายา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาชั่วเป็นมิจฉาทิฏฐิ 6. เป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุใดเป็นผู้ยึดมั่นทิฏฐิของตนมีความถือรั้นสละสิ่งที่ตนยึดมั่นได้ยาก ภิกษุนั้นย่อมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในศาสดาไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในธรรมไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงแม้ในพระสงฆ์และไม่ทำศีกขาให้บริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในศาสดาละถึงและไม่ทำศีกขาให้บริบูรณ์ย่อมก่อการวิวาทให้เกิดขึ้นในสงฆ์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 ถ้าเธอทั้งหลายไม่พิจารณาเห็นมูลเหตุแห่งวิวาทเช่นนี้ทั้งภายในหรือภายนอกเธอทั้งหลายเพิ่งปฏิบัติเพื่อให้มูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลไม่ยืดเยื้อต่อไปการละมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นแลย่อมมีได้และมูลเหตุแห่งวิวาทที่เป็นบาปนั้นย่อมไม่ยืดเยื้อต่อไปภิกษุทั้งหลายมูลเหตุแห่งวิวาทหกประการนี้แล วิวาทะมูลสูตรที่หจบเจ็ดทานสูตรว่าด้วยองค์แห่งทักษิณาทานสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวัน อารามของอนาถปินิกะเศรษฐีเขครุงสาวัตถีสมัยนั้นอุบาสิกาชื่อนันทมาตาชาวเมืองเวลุกันตกะถวายทักษิณาอันประกอบด้วยองค์หกในหมู่ภิกษุมีพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะเป็นประธานพระผู้มีพระภาคได้ทรงเห็นอุบาสิกาชื่อนันทมาตาชาวเมืองเวลุกันตกะนั้นแล้ว จึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุบาสกาชื่อนันทมาตาชาวเมืองเวลุกันตกะนั้นถวายทานอันประกอบด้วยองค์หกในหมู่ภิกษุมีสารีบุตรและโมคลานะเป็นประธานทักษินาอันประกอบด้วยองค์หกเป็นอย่างไรคือฝ่ายทายกผู้ให้มีองค์สามประการฝ่ายปฏิคาหผู้รับมีองค์สามประการ องค์บประการของทายกอะไรบ้างคือทายกในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. ก่อนให้ก็มีใจดี 2. กําลังให้ก็ทําจิตให้เลื่อมใส 3. ครั้นให้แล้วก็มีใจเบิกบานนี้คือองค์บประการของทายกองค์3ประการของปฏิคาหกอะไรบ้างคือปฏิฆาหกในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้ปราศจากราคะ หรือปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะ 2. เป็นผู้ปราศจากโทสะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะ 3. เป็นผู้ปราศจากโมหะหรือปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะนี้คือองค์3ประการของปฏิฆา6องค์3าประการของทายกองค์สาประการของปฏิฆา6มีด้วยประการรัชนีภิกษุทั้งหลาย ทักษินาอันประกอบด้วยองค์หกเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายการกำหนดประมาณบุญแห่งทักษินาอันประกอบด้วยองค์หกอย่างนี้ว่าห้วงบุญห้วงกุศลมีประมาณเท่านี้นำความสุขมาให้มีอารมณ์ดีเลิศมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจมิใช่ทาได้ง่ายแท้จริง พ่วงบุญพ่วงกุศลแห่งทักษินานั้นถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้เปรียบเหมือนการกําหนดปริมาณของน้ําในมหาสมุทรว่าน้ํามีปริมาณเท่านี้อารหะกะน้ํามีปริมาณเท่านี้ร้อยอารหะกะน้ํามีปริมาณเท่านี้พันอารหะกะหรือน้ํามีปริมาณเท่านี้แสนอารหะกะไม่ใช่ทําได้ง่ายแท้จริง น้ำในมหาสมุทรนั้นถึงการนับว่าเป็นห่วงน้ําใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ฉันใดภิกษุทั้งหลายการกําหนดประมาณบุญแห่งทักษิณาอันประกอบด้วยองค์หกอย่างนี้ว่าห่วงบุญห่วงกุศลมีประมาณเท่านี้นําความสุขมาให้มีอารมณ์ดีเลิศมีวิบากเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจ มิใช่ทำได้ง่ายแท้จริงห่วงบุญห่วงกุศลของทักษินานั้นถึงการนับว่าเป็นกองบุญใหญ่ที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้ฉันนั้นทายกก่อนให้ก็มีใจดีเมื่อกำลังให้ก็ทำจิตให้เลื่อมใสครั้นให้แล้วก็มีใจเบิกบานนี้เป็นความถึงพร้อมแห่งยันปฏิคาหกผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย คือท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่มีอาสวะย่อมเป็นเขตที่สมบูรณ์แห่งการให้ทายกต้อนรับปฏิคาหกด้วยตนเองถวายทานด้วยมือตนเองอยันนั้นย่อมมีผลมากเพราะตนทายกผู้ให้ทานและเพราะผู้อื่นปฏิคาหกเป็นบัณฑิตผู้เป็นนักปราชญ์มีศรัทธา มีใจพ้นแล้วบูชายันอย่างนี้ย่อมเข้าถึงโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนเป็นสุขทานสูตรที่เจ็จบ 8. อัตการีสูตรว่าด้วยอัตการ ครั้งนั้นแลพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่เรลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพระองค์มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าไม่มีอัตการมีตนเป็นตัวการไม่มีประกการ มีสิ่งอื่นเป็นตัวการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังคําของบุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้เลยก็บุคคลเมื่อก้าวไปข้างหน้าเองได้ถอยกลับเองได้ฉะไหนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีอัตตาไม่มีปราการพราหมณ์ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรอารัพราธาตมีอยู่หรือไม่ พรามกราบทูลว่ามีท่านพระโคดมเมื่อมีอารพทธาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเพียรริเริ่มยังมีปรากฏอยู่หรือไม่ยังมีปรากฏท่านพระโคดมพรามการที่เมื่อมีอารพธาสัตว์ทั้งหลายผู้มีความเพียรริเริ่มยังมีปรากฏอยู่นี้แหละคืออัตการนี้แหละคือประการของสัตว์ทั้งหลายพราม ท่านเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรนิกรรมาธาตมีอยู่หรือไม่ละถึงป ร, รกรรมธาตมีอยู่หรือไม่ฐานะธาตมีอยู่หรือไม่ทิติธาตมีอยู่หรือไม่อุปกรรมาธมาตมีอยู่หรือไม่มีท่านพระโคดมพราหมณ์เมืม่อมีอุปกรรมาธาตสัตว์ทั้งหลายผู้มีความพยายามยังมีปรากฏอยู่หรือไมย่ยังมีปรากฏท่านพระโคดม พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามการที่เมื่อมีอุปกรรมธาตุสัตว์ทั้งหลายผู้มีความพยายามยังมีปรากฏอยู่นี้แหละคืออัตตานี้แหละคือประการของสัตว์ทั้งหลายพรามเราไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังคำของบุคคลผู้มีวาทะอย่างนี้ผู้มีทิฏฐิอย่างนี้เลยก็บุคคลเมื่อก้าวไปข้างหน้าเองได้ถอยกลับเองได้ไฉ น, นจึงกล่าวอย่างนี้ว่า ไม่มีอัตการไม่มีประการพราหมกราบทูลว่าท่านพระโคโดมพาะสิทธิของท่านพระโคโดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักและถึงข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสาระตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัตการีสูตรที่8จบ นิทานสูตรว่าด ah ้วยเหตุให้เกิดกรรมภิกษุทั้งหลายเหตุให้เกิดกรรมชั่ว3ประการนี้เหตุให้เกิดกรรมสาประการอะไรบ้างคือ 1. โลภะความอยากได้เป็นเหตุให้เกิดกรรมสอโทสะความคิดประทุสร้ายเป็นเหตุให้เกิดกรรมสามโมหะความหลงเป็นเหตุให้เกิดกรรมภิกษุทั้งหลาย โลภะไม่เกิดขึ้นเพราะโลภะแท้จริงโลภะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะโลภะโทสะไม่เกิดขึ้นเพราะโทสะแท้จริงโทสะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะโทสะโมหะไม่เกิดขึ้นเพราะโมหะแท้จริงโมหะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะโมหะเทวดามนุษย์หรือแม้สุกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากโลภะ เพราะกรรมที่เกิดจากโทสะและเพราะกรรมที่เกิดจากโมหะแท้จริงนรกกัาเนัติรชานแดนเปรตหรือแม่ทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากโทสะและเพราะกรรมที่เกิดจากโมหะภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมสามประการนี้แหลภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมดีสามประการนี้ เหตุที่เกิดกรรมสามประการอะไรบ้างคือ 1. อโลพะความไม่อยากได้เป็นเหตุให้เกิดกรรม 2. ออโทสะความไม่คิดประทุสร้ายเป็นเหตุให้เกิดกรรม 3. าอโมหะความไม่หลงเป็นเหตุให้เกิดกรรมภิกษุทั้งหลายโลพะไม่เกิดขึ้นเพราะอโลพะแท้จริงอโลพะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะอโลพะ โทสะไม่เกิดขึ้นเพราะอโทสะแท้จริงอโทสะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะอโทสะโมหะไม่เกิดขึ้นเพราะอโมหะแท้จริงอโมหะเท่านั้นเกิดขึ้นเพราะอโมหะเนรกกกำเนิดสัตว์ิรชาญแดนเปรตหรือแม้ทุกติอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากอโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากอะโทสะและเพราะกรรมที่เกิดจากอโมหะ แท้จริงเทวดามนุษย์ทั้งหลายหรือแม่สุคติอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมปรากฏเพราะกรรมที่เกิดจากอโลภะเพราะกรรมที่เกิดจากอโทสะและเพราะกรรมที่เกิดจากอโมหะภิกษุทั้งหลายเหตุที่เกิดกรรมสามประการนี้แหลนิทานสูที่เก้าจบ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 อะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พระสัตธรรมไม่ดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิมมิระเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้หนึ่งอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในาศาสดาสองอยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในธรรม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 ท่านกิมมิละทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พระสัษธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อพระตถาคตปรินิพานแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากิมมิละเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาในธรรมวินัยนี้หนึ่งอยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในาศาสดา 2.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 ให้สัตย์ธรรมดำรงอยู่ได้นานในเมื่อตถาคตปรินิพานแล้วกิมมิลสูตรที่10บจบ 11. ทารุ ข, ขันทสูตรว่าด้วยกองฟืน ข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิจกูรูรเขกรุงราชคย์ครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรลงจากภูเขาคิจกูรูรพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้เห็นกองฟืนใหญ่ในที่แห่งหนึ่งจึงถามภิกษุทั้งหลายว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายเห็นกองเฟืนใหญ่โน้นหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นตอบว่าเห็นผู้มีอายุท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายหนึ่งภิกษุผู้มีฤทธิ์บรรลุความชำนาญทางใจเมื่อต้องการพึงน้อมจิตถึงกองเฟื่โน้นว่าดินก็ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะที่กองเฟืนโน้นมีปตวีธาตุธาตุดินอยู่ ซึ่งภิกษุผู้มีฤทธิ์บรรลุความชํานาญทางใจจะพึงอาศัยน้อมจิตถึงกองเฟื่อโน้นว่าดิน 2. ภิกษุผู้มีฤทธิ์บรรลุความชํานาญทางใจเมื่อต้องการพึงน้อมจิตถึงกองเฟื่อโน้นว่าน้ําละถึง 3. ภิกษุผู้มีฤทธิ์บรรลุความชํานาญทางใจเมื่อต้องการพึงน้อมจิตถึงกองเฟื่อโน้นว่าไฟ 4. ภิกษุผู้มีฤทธิ์บรรลุความชำนาญทางใจเมื่อต้องการพึงน้อมจิตถึงกองเฟือโน้นว่าลม 5. ภิกษุผู้มีฤทธิ์บรรลุความชำนาญทางใจเมื่อต้องการพึงน้อมจิตถึงกองเฟือโน้นว่างาม 6. ภิกษุผู้มีฤทธิ์บรรลุความชำนาญทางใจเมื่อต้องการพึงน้อมจิตถึงกองเฟื่อโน้นว่าไม่งามก็ได้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะที่กองเฟอร์โน้นมีอสุภะธาตุอยู่ซึ่งภิกษุผู้มีฤทธิ์บรรลุความชำนานทางใจจะพึงอาศัยน้อมจิตถึงกองเฟอร์โน้นว่าไม่งามทารุป ข, ขันธสูตรที่11อจบ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 ใกล้หมู่บ้านพราหมณ์ชื่ออิชานังคละพวกพราหมณ์และขหบดีชาวบ้านอิชานังคละได้ทราบข่าวว่าท่านผู้เจริญข่าวว่าพระสมณะโคดมสักยะบุตรทรงออกผนวจากสักยะตรกูลเสด็จถึงบ้านอิจชานังคละประทับอยู่ที่ราวป่าชื่ออิชานังคละใกล้หมู่บ้านพราหมชื่ออิชานังคละท่านพระสมณะโคดมพระองค์นั้น มีกขีิจับอันงามขาจรไปอย่างนี้ว่าแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณนะละถึงเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์ทรงรู้แจ้งโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกและถึงการได้พบพระอรหันต์เช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง ครั้นคืนนั้นผ่านไปพราหมณ์และขหบดีชาวบ้านอิชานังคละจึงพากันถือเอาของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากเข้าไปถึงราวป่าชื่ออิชานังคละได้ยืนชุมนุมกันส่งเสียงอื้ออึงที่ซุ้มประตูด้านนอกสมัยนั้นแหลท่านพระนาคิตะเป็นอุปถาของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกท่านพระนาคิตะมาตรัสถามว่านาคิตะ คนพวกไหนส่งเสียงอื้ออิงอยู่นั้นคล้ายพวกชาวประมงแย่งปลากันท่านพระนาคิตะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพรามและข้าบรีชาวบ้านอิชานังคะเหล่านั้นพากันถือเอาของเคี้ยวของฉันเป็นอันมากมายืนชุมนุมกันอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกเพื่อถวายพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านาคิตะเราไม่ติดยศ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 จากทำให้ท่านเคลื่อนจากสมาธิเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ยินดีการอยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านของภิกษุนั้น 2. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดนั่งโงกงวงอยู่ในป่าเรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้จากบรรเทาความลำบากคือการหลับนี้และมนสิการความกาหนดหมายว่าป่าเป็นเอกคตารม เพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น3เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดไม่มีสมาธินั่งอยู่ในป่าเรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้จากตั้งจิตที่ไม่เป็นสมาธิให้เป็นสมาธิหรือจากตามรักษาจิตที่เป็นสมาธิไว้เพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น 4. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดมีสมาธินั่งอยู่ในป่าเรามีความคิดอย่างนี้ว่าบัดนี้ท่านผู้นี้จักเลื้องจิตที่ยังไม่หลุดพ้นให้หลุดพ้นหรือว่าจากตามรักษาจิตที่หลุดพ้นแล้วไว้ได้เพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้น 5. เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในเสนาสนะใกล้บ้านได้จีวอนบินธบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพษัตรบริคารเธอพอใจลาบสักการะและการสันเสรนั้นละทิ้งการหลีกเร้นละทิ้งเสนาสนะอันเงียบสงดคือป่าโปรงและป่าทึบหรือเข้ามารวมกันอยู่ยังหมู่บ้านตำบลและเมืองหลวงเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่ยินดีการอยู่ในเสนาสนะใกล้หมู่บ้านของภิกษุนั้น เราเห็นภิกษุในธรรมวินัยนี้ผู้อยู่ป่าเป็นวัดได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศบ ร, ร, ริคารเธอสลัดลาบสักระและการสรรเสริญนั้นไม่ละทิ้งการหลีกเร้นไม่ละทิ้งเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าโปร่งและป่าทึบเพราะเหตุนั้นเราจึงยินดีการอยู่ในป่าของภิกษุนั้นอันหนึ่ง สมัยใดเราเดินทางไกลไม่เห็นใครข้างหน้าหรือข้างหลังสมัยนั้นเราย่อมมีความพาสุกโดยที่สุดแม้ด้วยการถ่ายอุจาระและปัสสาวะนาคิตะสูตรที่สิบสองจบเทวตาวักที่สี่จบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. เสขะสูตรสองปฐมมะอปริหานสูตร 3. ทุติยอปริหานสูตร 4. มหาโมคลานสูตร 5. วิชาพาขิยาสูตร 6. วิวาทะมูลสูตร 7. ธทานสูตร 8. อัตกาลีสูตร 9. นิทานสูตร 10. กิมมิลสูตร 11. ทารุขขันธสูตร 12. นาคิตะสูตร กวักหมวดว่าด้วยพระธรรมิกะหนึ่งนาคสูตรว่าด้วยนาคสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขกรุงสาวัตถีครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอัตรวาวาศพถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถี ครั้นเสด็จกลับจากปินทบาดภายหลังเสวยพระกรยาหารเสร็จแล้วได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังปราสาทมิคารมาตาณบุพารามวิหารเพื่อพักกลางวันท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมกับท่านพระอานนท์ได้เสด็จเข้าไปยังปราสาทของมิคารมาตา ณบุพารามวิหารต่อมาในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีเค้นได้รับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่ามาเถิดอานนท์เราจะเข้าไปยังท่าน้ําปุพภโกธกะเพื่อส่งน้ําท่านพระอานนท์ทูลรับสนองพระดํารัสแล้วลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคพร้อมกับท่านพระอานนท์ได้เสด็จเข้าไปยังท่าน้ําปุพภโกธกะ เพื่อส่งน้ำครั้นแล้วสเสด็จขึ้นมามีจีวรผืนเดียวผึ่งพระวรกายอยู่สมัยนั้นพร ะ, สะเสวเกุญชนของพระเจ้าประสิทธิโกศลขึ้นจากท่าน้ำปุพภโกทกะเพราะเสียงดนตรีใหญ่ที่เขาตีประโคมเหล่าชนเห็นช้างนั้นแล้วจึงกล่าวชมอย่างนี้ว่าหน้าของพระราชาช่างงามยิ่งนักหน้าของพระราชาช่างน่าดู หน้าของพระราชาช่างหน้าเลื่อมใสหน้าของพระราชามีอวัยวะสมบูรณ์เมื่อมหาชนกล่าวชมอย่างนี้แล้วท่านพระอุทายีได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนทั้งหลายเห็นช้างเชือกใหญ่สูงมีอวัยวะสมบูรณ์เท่านั้นหรือจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่านาคหน้าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญ นาคหน้าอัศจรรย์จริงหรือว่าเห็นสัตว์ชนิดอื่นที่ใหญ่สูงมีอวัยุวะสมบูรณ์จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่านาคน้าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญนาคหน้าอัศจรรย์จริงพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอุทายีคนทั้งหลายเห็นช้างเชือกใหญ่สูงมีอวัยวะสมบูรณ์จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่านาคน้าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญ นาคน่าอัศจรรย์จริงบ้างเห็นม้าตัวใหญ่สูงละถึงเห็นโคตัวใหญ่สูงเห็นงูตัวใหญ่ยาวเห็นต้นไม้ใหญ่สูงเห็นมนุษย์ผู้มีร่างกายใหญ่สูงมีอวยวะสมบูรณ์จึงได้กล่าวอย่างนี้ว่านาคน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญนาคน่าอัศจรรย์จริงบ้างอุทายี แต่เราเรียกบุคคลผู้ไม่ทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์นั้นว่านาคท่านพระอุทายีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนาอัจจร์จริงไม่เคยปรากฏพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอุทายี เราเรียกบุคคลผู้มิทำความชั่วทางกายทางวาจาทางใจในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ว่านาคท่านพระอุทายีได้กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขออนุโมทนาภาสิทธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วนี้ด้วยคาถาเหล่านี้ว่า ข้าพระองค์ได้สดับมาจากพระองค์ผู้เป็นพระอรหันต์ว่ามนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมนุษย์ทรงฝึกพระองค์แล้วมีพระทัยตั้งมั่นแล้วเป็นผู้ทรงดำเนินไปในทางประเสริฐผู้ทรงยินดีในความสงบแห่งจิตผู้ทรงถึงฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงแม้เทวดาทั้งหลายก็นอบน้อมพระสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงก้าวล่วงสังโยชน์ทั้งปวงได้ ทรงบรรลุนิพพานซึ่งเป็นทางออกจากปากคือกิเลสผู้ทรงยินดีในแนคข ม, มะผู้หลุดพ้นแล้วเหมือนทองคำที่พ้นจากหินพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาครุ่งเรืองล่วงสรรพสัตว์เหมือนภูเขาหิมะพานที่สูงกว่าภูเขาลูกอื่นๆพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคอันเป็นพระนามจริงที่ยอดเยี่ยมกว่าเทวดาผู้มีนามว่านาคทุกจาพวก พ, พระองค์จะประกาศพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคเพราะพระองค์ไม่ทรงทําความชั่วพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคทรงมีโสรจจะและอวิหิงสาเป็นเท้าหน้าทั้งสองทรงมีตบะและพรหมจันทร์เป็นเท้าหลังทั้งสองทรงเป็นดุดช้างตัวประเสริฐทรงมีศรัทธาเป็นงวงมีอุเบกขาเป็นงาขาวมีสติเป็นคอมีปัญญาเป็นเสียน มีการส่อส่องทมเป็นปลายงวงมีทมเครื่องเผากิเลสเป็นท้องมีวิเวกเป็นหางพระองค์ผู้ทรงมีฌานทรงยินดีลมอาสาสะปัสสาสะทรงมีจิตตั้งมั่นดีภายในดำเนินไปก็ทรงมีจิตตั้งมั่นประทับยืนก็ทรงมีจิตตั้งมั่นบรรทมก็ทรงมีจิตตั้งมั่นประทับนั่งก็ทรงมีจิตตั้งมั่น ทรงสำรวมแล้วในทวารทั้งปวงนี้เป็นสมบัติของพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคเสวยแต่สิ่งที่ไม่มีโทษไม่เสวยสิ่งที่มีโทษได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มแล้วทรงเว้นการสะสมทรงตัดสังโยคเครื่องผูกพันน้อยใหญ่ทั้งปวงได้จะเสด็จไปณที่ใดใดก็ไม่มีความห่วงใหญยเสด็จไปในที่นั้นๆ ดอกบัวขาวมีกลิ่นหอมหน่าเรื่อนรมใจเกิดในน้ำเจริญในน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงอุบัติ ด, ดีแล้วในโลกเป็นพระพุทธเจ้าในโลกแต่ไม่ติดอยู่กับโลกเหมือนดอกโบหลวงไม่เปียกน้ำฉันนั้นไฟกองใหญ่ลูกโชนโชคช่วงย่อมดับโพระหมดเชื้อฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสังขารทั้งหลายสงบระงับไปแล้วชาวโลกก็เรียกกันว่าทรงนิพพานแล้วข้ออุปมาที่ให้รู้เนื้อความชัดแจ้งนี้อันวินยูชนทั้งหลายแสดงไว้แล้วพระอาหารหันต์ทั้งหลายผู้เป็นมหานาคจะรู้แจ้งพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคที่ท่านผู้เป็นนาคแสดงไว้แล้วพระองค์ผู้ทรงพระนามว่านาคทรงปราศจากราคะปราศจากโทสะ ราศจากโมหะไม่มีอาสะวะเมื่อทรงละสุรีระจากเป็นผู้ไม่มีอาสะวะปรินิพานนาคสูตรที่หนึ่งจบ